บุคคลควรพิจารณาเสียก่อนจึงกระทากรรมด้วยกายวาจาและใจในการสอนสมณเณร น, น, นี้บางทีก็ส่งใช้วิธีทายปัญหาซึ่งคงจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสนุกสำหรับเด็กอย่างเรื่องสอนทายากๆด้วยสมเณรปัญหาว่าอะไรเอ่ยมีอย่างเดียวอะไรเอ่ยมีสองอย่างอะไรเอ่ยมีสามอย่างเป็นต้น